พวกเราเป็นบรรพระชิตมันต้องมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันมันยึงถูกต้องข้อ ว, วันพระชิตนี่เป็นอุรมมเพศเป็นเพศอนุรรมกว่าเพศขรัค เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึไม่วางระเบียบไว้รัดกลุ่มยิ่งกว่าเพศขเรหัดหมายความว่าเป็นเพศที่สะอาดไม่มัวหมองโดยกิเลสกรรมวัตถุตามส่วนขเรหัดนั้นนี่ว่าเขาบริโภคกรรมมคุณบริโภคกรรมมสุขสมบัติ มันยอมเกือกกลัวอยู่ด้วยสิ่งโมหมองน า, นานาประการใเราเป็นบันประชิดนี้มันต้องนึกถึงตัวเองให้มากเราเรามีเทศต่างจากเครืหัสแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณนะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ เราว่ามีศีลเสมอกันใช่ไหมความว่ามีข้อวัดเสมอกันนอกจากความสมรวงกายวาจาไม่ลงพุทธบัญญัติแล้วก็วยังทำข้อวัดปฏิบัติเหมือนๆกั น, นเสมอกันเที่ยวินธ บ, บาทมย นุ่งห่มผ้าบางสกุลคนห น, นึ่ันี่หมายความว่าถ้าไม่มีผู้ถวายก็ไปแสวงหาผ้าที่เขาทอดทิ้งไว้ตามขยะมูลฝอยหรือตามป่าชา้าเั่นมาซักฟอกให้สะอาดแล้วัดเย็บยอกนุ่งห่ม แล้วก็เหนอาศนาที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่เลือกสุดแล้วแต่จะได้อย่างไรเพื่อนจัดให้อยู่อย่างไรก็ยินดีพอใจอยู่อยู่ยาแใจระภัยไข้เจ็บก็ ข้อที่มันจะได้มันจะมีเช่นอย่างว่าเวลาเจ็บใครได้ป่วยลงถ้าว่าไม่มีผู้ดูแลไม่มีผู้สงเคราะห์บุกอะไรพวก น, นี้ก็ทรงอนุญาตให้ขอจากผู้มีศรัทธาได้อยู่เรื่องหยกยาแก่โรคภัรวกนี้นะ ดียถ้าว่าไม่มีใครสงเคราะห์เราก็นึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองบุญกรรมตัวเองได้สรางมาเที่ยงเท่านี้ก็อยู่ไปตามะถาครรมแล้วแต่ไม่ต้องทุกสสข์โศกเสียใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องน้อยใจว่าไม่มีใครเรลี้ยงแรไม่มีใครรักษา เพราะว่าเมื่อนึกถึงบุญถึงกรรมตกองตัวเองแล้วมันก็ก็รู้ได้คนเราเหตุที่ไม่มีใครเลี้ยงแลดูแลกก็เพราะว่าเราแต่ก่อนมาก็คงไม่ดูแลใครใครเจ็บใครป่วยก็ไม่ผงเคาะสงหากรรมอมันมันก็มาแต่งให้บางทีตนเกิดมาชาตินี้มาเจ็บใครได้ป่วยลงก็ ไม่มีคนเมตตาสงสารช่วยเหลือรักษาหยุบหายามาให้นี่มันต้องนึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองคนเราไม่เช่นนั้นเราก็เดือดร้อนอย่าไปเทียวโทษ ค, คนนั้นโทษ ค, คนนี้เพราะไม่เหลืยวแลตนอะไรอย่าไปโทษใครเลย เราเป็นนักบวชเนี่ยเชื่อบุญเชื่อวัฒนาของตัวเองเขาบอกมีสินสังวรมันก็เป็นอย่างว่านั่นนะคือว่าต้องสังวรในข้อว่าปฏิบัติด้วยเป็นเพียววินทบาทอย่างี้ถ้าไม่เก็บใครได้ป่วยแล้ว ไม่หดเว้นครูทีเจ้ารงสอนให้หาเลี้ยงตัวเองด้วยลําแข้งของตนเองอย่าไปห่วังครึ่งผู้อื่นเป็นอยู่เรื่อยไปธรรมดาเป็นนักบวชเพราะว่า ไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายอะไรมีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านแต่พระ อ, องค์เจ้ามันทรงสอนให้ทำตนให้เขาเลี่ยงง่ายอย่าทำตนให้เขาเลี่ยงยากเหตุนั hey, ้นอราจะไปนั่งคอยเขามาส่งอาหารให้ฉัน อยู่กับวัดกับวังเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะมาได้เพราะเขามีการงานมากดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบินธบาตเป็นตัวอย่างของสามุกเนว่าเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามกรอกตามซอยตามถนนให้เห็นเขามีศรัทธาก็มาใส่ให้ไม่มีศรัทธาก็แล้วไป ก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของนบวชนี่นะไอ้ที่เขามีศรัทธานำอาหารมาถวายนั่นก็มันก็เป็นครั้งเป็นคราวโดยเฉพาะเราอยู่ป็ป่าห่างไกลาจากบ้านอย่างนี้นะถ้าหากว่าเขามันมีโอกาสจริงๆเขาก็มาไม่ได้นัน คือเขามีโอกาสมีช่องทางเขาก็มาเราต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาเป็นตัวอย่างไม่ควรที่จะละเลยข้อว่าปฏิบัติเหล่านี้ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยลง ก็ต้องบอกให้หมู่ทราบนี่กติกาก็ เ, เคยพูดกันแล้วถ้าใครไม่เจ็บป่วยลงไม่บอกให้ผู้อือน่นทราบผู้อื่นก็ไม่รู้จะไปเยียวยากันได้ยังไง mm. ก็รู้ว่าสบายสบายอยู่ก็อยู่กันไป เ, เรื่อยๆ mm. นี่เป็นตรงบอก ต้องเรียกผู้อยู่ใกล้กันมหมนอนมาพบถ้าว่าไปไกลไม่ได้ น, นี่ผมป่วยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอบอกให้ทราบไว้ด้วยพระวินทาบาทไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะก็ต้องบอกต้องแจ้งให้หมู่ได้ทราบไว้ถ้าป่วยนะ มาฉันที่โลงทําไม่ได้เขาก็จะนำอาหารไปให้กับที่อยู่ไปทำจนอยู่เงียบๆตามชอบใจเจ้าของไม่แสดงบทบาทอะไรออกมาเลยอยากทำอะไรก็ทำไปตามใจชอบตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่กับหมูเราอยู่รวมกันหมู่มาก มันต้องมีระเบียบนี่นังภ <c oughs> าวินันที่ทรงบัญญัติไว้หมดแล้วเมื่อจะไปขอนิ ม, มนต์ไปฉันบินธบะในบ้านในช่องอย่างนี้ก็ต้องบอกลาภิสุทที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงไปได้ ถ้าเมลาก่อนที่ยไปเป็นอาบัตินันโมนีก็เพราะเหตุว่าเราอยู่ด้วยกันใครจะไปไหนอยู่ไหนมันต้องให้รู้กันเผือ่อว่ามีอุบัติเหตุอะไรเข้าอย่างนี้นะมันก็จะได้ช่วยเหลือกันน่อีกอย่างหนึง่งมันก็ป้องกัน เพื่อมาให้ทำความชั่วนั่นแหละถ้าพูดอีกในนีงถ้าไปไหนไปคนเดียวอยู่คนเดียวไม่เที่ยวอย่อยู่กับมูอย่างนี้เวลาไปทำชั่วลงไปก็ไม่มีใครรู้นั่นมันมีความหมายอย่นั้นที่菩รทศาษาษาดาทรงสอนจะไปไหนมาไหนต้องบอกให้ หมว้เพื่อนทราบโดยเฉพาะถ้าผู้หัวหน้าเพื่อนอยู่ก็ต้องมาบอกลากับผู้หัวหน้ามันยึงถูกต้องถ้าเพื่อนมาอยู่ก็จึงบอกองค์ที่ลองลงไปอะไรอย่างนี้นะคนเรานี่ มันอย่างว่ามันมีหลายจิตหลายใจถ้าเราไม่เอาวินัยเป็นหลักเครื่องดำเนินแล้วมันไม่ได้มันมันแตกสมาธิกันรวมร่วมสมาธิกันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องนึกถึงวินยัยต้องน้อมตนเข้าสู่วินยัยต้องปฏิบัติตามพระวินัยไป อนนมันจึงรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะมันจึงสามาทีกันได้เช่นอย่างเที่ยววินธบัติเป็นวัดอย่างนี้นะอันนี้สำหรับพระผู้อยู่ป่าเนี่ยอยู่ห่างไกลบ้านานีอยญาติโยมเขาไม่สามารถจะมาถวายอาหารได้เราจำเป็นต้องไปบินธบัตเอา เป็นเ็บแต่เจ็บป่วยอย่างที่ว่านน่ะนี่ก็เป็นความสามัคคีอันหนึ่งอันนี้ทำไมเจ็บไม่ไขอะไรเลยเนี่ยแล้วไม่ไสบินทบาทอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกเสียข้อวัดปฏิบัติน้ำมิเท่ากับเป็นทีรังเกียดของหมู่ของคณะอีกด้วยคนเราอยู่ที่ไหนก็ต้องทำตนให้เพื่อน นับถือให้เพื่อนเห็นว่าเป็นคนดีอย่างนั้นถึงมีความสุขได้นั่อยู่ที่ไหนเราทําตามด้วยความเห็นของตัวเองไม่เคารพสวินยัยเคารพเป็นบางอย่างบางอย่างไม่เคารพอย่างนี้นี่ไม่ได้ มันยอมเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะถ้าทําอย่างนี้หลายๆลูกอยู่ด้วยกันนะมันก็รังเกียจกันแล้ววันนี้อโลกแตกสามัคคีกันมันเป็นงนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจระเบียบต่างๆที่พระศาสดาทรงวางไว้นะั้นรัวน้วให้เป็นไปเพื่อความสมัครองอนสามัคคีกันทั้งนั้นแหละออ อย่างอาหารระบินธบาตอย่างนี้นะเราทำตามแต่ครั้งพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมานี่ครั้งพระพุทธเจ้านพระเนนหลายวัเชตวันนั้นไม่ต่ากวักขันขึ้นไปยังนี่บินธบาตมาแล้วเราเมฆครัวทำอาหารใส่เป็นหม้อเป็นห ม, ม้อมาก็้วแจกัน ในเรื่องมีกล่าวอยู่ว่าราค้าพรามาความคนแก่ที่บวชในภายหลังที่พระพุทธเจ้าทรงพระอนุญาตให้บวช ด, ด้วยยติเจสุทธก ร, รมมาวาจาเป็นครั้งแรกท่านก็นั่งอยู่ห่างแถวเพื่อนวันนี้พระปักอาหารแจกไปแจกไปก็ไม่ค่อยถึง ถึงก็ น, น้อยเต็มทีอย่างนี้โอุาชาเห็นว่าทุกสิษ์คนนี้ลำบากด้วยอาหารมากโอุาชาก็คือทภาษสารีบุตรนั่นเองท่านยังได้พาไปจาริกไปาำชนบทตรวันนอกไปวิเอขหาสถานที่สงบสงัด แนะนำพระสมารฐานให้านราธะคพามนั่นประกอบความเพียรท่านก็ตั้ง อ, อกตั้งใจทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดผลจะสำเร็จอรหัตทับผลเนี่ยเรื่องอาหารการบริโภคเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิต เพราะฉะนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบว่าให้เที่ยววินทบาทเพราะว่าอาศัยคนอื่นทำให้ฉันนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันหลายรูปหลายร่างมันก็ไม่พอกันเมื่อวินทบาทมาสมทบกันกับโรงครัวอย่างนี้นี่มันก็พอแบ่งพอแจ ก, กกันไปได้ ทะเลายกันไปมันเป็นยางไนเพราะนั้นให้พากันคำนึงถึงเหตุผลเรื่องความเป็นอยู่ของเราผู้เป็นบรรพชิตให้มากอย่าไปมุ่งหวังเอาแต่ความสบายส่วนตัวอย่างเดียวไม่ได้ ก็ตั้งวิดีโอตปรธรรมไว้ในใจทุกครัต้องมีความละอายแก่ใจการที่เกียดคล้าสอย่างนี้นะไม่ไปบินธบาตเนี่ยคนละอายแก่ใจอ๋เพื่อนก็ขันห้าเหมือนกันเราก็ขันห้าแล้วทําไมเพื่อนถึงไปถึงเที่ยวบินธบาตเราทําไมไม่เที่ยวบินธบาต นี่เตือนตนเข้าไปนี่มันก็นึกละอายใจขึ้นมาสิคนเรานี่ถ้าหากว่าขาดที่ได้อดตกระทำแล้วมันมันไม่ไหวจริงอทํทำชั่วได้ทุกอย่างอันเป็นงั้นเพราะนั้นทำสองอย่างนี่ต้องให้มีอยู่ในใจเสมออย่าไปเข้าใจอเป็นทำตื้นๆ น, น, นะขั้นผู้สำเร็จ มักผลธรรมวิเศษต่างๆวันนั้นท่านก็ตั้งฮีริโอตประธรรมนี่นะลงไว้ในใจเป็นหลักใจไว้ก่อนลาอายในอันที่จะทำความชั่วทั้งในที่รับและในที่แ้งกลัวความชั่วแล้วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ใครจะไปตามดูแลเราทุกข์อิทยาบทไม่มีอันนี้มีแต่ตนเองนั่นแหละ ต้องพยายามสอนตัวเองห้ามตัวเองตั้งีินิโอตประทําไว้ในใจอย่างว่านะถ้าใจนี่ขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วมันก็ถูกกิเลสลับสุดคล้าไปลงต่ำไปเรื่อยไปเป็นงนั้นรักษาคุณงามความดีของตนไว้ไม่ได้เลยเช่นถูกความรักครอบงำอย่างรุนแรงอย่างนี้นะ มังอาจจะร่วงที่ขบวนวินายอย่างหนักไปเมื่อไหร่ก็ได้ ม, มันให้หลีรืมอหมดทีด่โอตประธรรมก็ไม่มีเมื่อความรักมันครอบงาจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือปล่อยความโกรธมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงอนีอม้มันก็นึกแต่จะฆ่าพวก อ, อื่นนั้นอย่างเดียว ในเรื่องนรกเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่ต้องพูดกันเลยเมื่อความโกรธมันหนาแน่นอยู่ในใจอย่างเต็มที่แล้วนรกไม่มีหรอกสวรรค์ก็ไม่มีความรู้สึกของผู้นั้นในขณะนั้นนี่กิเลสเหล่านี้นะมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทําชั่วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพิจารณาดูให้มันเห็นที่นาดูใจตัวเองนั่นแหละ กิเลดอันใดมีมันก็รู้ถ้าตนเพ่งพินาดูใจตัวเองอยู่แต่บาคนรู้แล้วแต่ว่าไม่ละมันอย่างนี้ก็มีไม่ไม่เห็นโทษของมันนั่นท่านเรียกว่าประมาทความประมาทคือความเล่นเลือความไม่ใส่ใจ พอไม่เคารพต่อพระธรรมนี่านานว่มมารประมาทฉันประมาทแล้วมันทำชั่วได้ทุกอย่างคนเราเนะ่ะเรี น, นงนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้จักสอนตัวเองรู้จักห้ามตัวเองให้มันเป็นรู้จักบังคับตัวเองให้มันได้ จะไปคอยพวอื่นบังคับอย่างเดียวไม่ไหว เ, เพื่อนบังคับแต่ถ้าตนไม่ทำตามแล้วเพื่อนก็จะว่งไงเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรแล้วอ น, น, นอกจากว่าจะต้องออกจากหมู่เท่านั้นเองถ้าหากว่าไม่ทำตามทำตามที่ในเหนื่อยดีแล้ว มันก็ต้องออกจากหมู่ไปมีทางเดียวเท่านั้นทางพุทธศาสนานี่จะไปลงโทษกันอย่างอื่นอย่างโทษบ้านเมืองไม่มีนะถ้าเรือว่าก่อแรงเท่าจริงๆผู้นี้ไม่สามารถจะปฏิบัติตามทำตามวินัยได้จริงๆก็ให้ออกไปจากหมู่นะแต่เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น่ะให้พึ่งาพากันเข้าใจหลักทำหลักพินัยไว้ให้ได้พอทำอะไรมันต้องมีระเบียบถ้าไม่มีระเบียบแล้วกิเลสปัญหามันก็ไม่เบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจเป็นองั้นเพราะว่า บุคคลผู้รู้อมนาจแก่กิเลสแล้วมันไม่มีระเบียบอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำตามชอบใจตัวเองมันเป็นอย่างนั้นกิเลสตัณหามันไม่ชอบให้คนมีระเบียบเราไม่ชอบให้คนเคารพต่อระเบียบมีแต่พระธรรมคำสอนของพระเจ้านั่นแหละสอนให้คนเคารพต่อระเบียบ แบบแผนอันดีงา ม, ม, มเมื่อเคารพต่อและเบียบแบบแผนที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วกิเลสอันหยาบคลายต่างๆมันก็ครอบงำจิตใจไม่ไดมม้มันก็เบาบางไปจิตใจก็ไม่เดือดร้อนแรงพอที่จะทำความเพียร ทำใจให้สงบลงไปได้แต่ถ้าปล่อยให้กิเลสยายำนั่นครอบงำจิตใจแล้วขี้ครัานทำความเพียรทั้เลยไม่ปาถนาที่ททำความเพียรแล้วจิตใจนั่นตกเป็นขาผ้าของตัณหาแล้วมีแต่คิดใฝ่ฝันหาแต่สิ่งที่รักที่ชอบใจหรือใครมาขวางทางกโกรธกัน ถูกอาพาธจองเวรกันไปตกต่ำไปเรื่อยๆจิตใจนั้นถูกถ้าปล่อยให้ราคะปัญหามันครอบคําจิตใจอย่างรุนแรงทำความดีอะไรไม่ได้เลยคนเรานั่นแหละเราจะทำความดีทางกายวาจาก็ทำไม่ได้แล้วมันจะไปทำความดีทางใจได้อย่างไรอ่ะคิดรู้อ่ะอันนี้ ถ้าบุคคลจะทําความดีทางใจได้ทําใจสงบมันต้องทํากายให้สงบวาจาสงบจากบากจากโทษ ต, ต่างๆเสียก่อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายวาจาใจนี่มันเนื่องกันอันนี้กายวาจาทําชั่วก็เพราะใจชั่วมันสั่งใจมันชั่วแล้วมันจึงสั่งกายทําชั่วพูดชั่ว ถ้าใจมันดีมันก็สั่งกายสั่งวาจาทำดีพูดดีไปนี่มันเป็นอย่างนี้มันเนื่องกันอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยคนได้มาปฏิ ญ, ญาณตนนับถือพระพุทธธรรมมาส่์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้ไม่ควรที่จะให้ตนตกต่ำไป ในทางบาปอกุศลควรจะฝึกตนให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำ น, นาจของพิเลตันหามานสะิสิตินั้ น, น, นเราต้องทำความเพียรฝึกตนอย่างเต็มความสามารถไม่เห็นแก่หลับแกนอน ถ้าผู้ใดเห็นแกลับแขนอนแล้วไ ม, ไม่ไม่มีทางเจริญด้วยศินด้วยธรรมด้วยบุญกุศลแล้วจะทำใจให้สงบระ ง, งับเป็นสมาธิก็ไม่ได้คนเห็นแกลับแขนอนปล่อยให้แต่ความว่างเหงาหานอนครอบงาจิตใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ยั ง, งว่วงอยู่อย่างนั้น ถ้าที่ไหนแล้วมันจะทําความเพียรทําใจสงบระงับลงได้ น, นั้นต้องฝึกจ น, นให้เป็นคนมีจิตใจผ่องใสนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ต้องถา้ามันรู้สึกมันง่วงมันแล้วก็ต้องไปล้างหน้าล้างตาอถ้าจัดความง่วงอันนั้นออกไปขั้นหนึ่งซะก่อนทำมาในอันหนึ่งนั่นแหละ เพื่อให้มันหายง่วงนั่นเมื่อมันหายง่วงแล้วถึงเป็นนั่งสมาธิภาวนามันต้องมีอุบายหลายอย่างบางคนไม่เป็นอย่างว่านะั่นไม่ทำพอ น, นอนตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาจะนั่งภาวนามีแต่งง่วงแจงงเงาแล้วก็นอนอมไม่ต่อสู้ไม่ขจัดความง่วงเห ง, งาเสียเลยไอ้อย่างนี้ คุณงามความดีย่อมเจริญขึ้นในจิตใจของคนนั้นไม่ได้เลยไม่ได้แล้วบุญกุศลก็เจริญไม่ได้อย่าว่าแต่มรรคผลธมวิเศษเลยเราต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นศัตรูต่อบุญต่อกุศลอันร้ายกาัดความรักหนึ่งความชังหนึ่งความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ย อันนี้สำคัญมากและการปล่อยจิตของตนให้คิดสร้างไปไม่มีการควบคุมจิตเลยมันอยากคิดอย่างไรก็ปล่อยมันคิดไปทั่วพิภพหลวงโมนีน่นนว่าเป็นภัยต่อความสงบอย่างร้ายแรงความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุนท้อก็เหมือนกันมันก็ทำให้ จิตใจสงบลงไม่ได้ก็ ม, มันสงสัยนี่มันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะหายสงสัยทชคสิ่งทุกอย่างเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรโมนี้นะ อ, นนะอันกีเกลต่างๆมาโมนีนะ้ต้องระ ง, งับไปจากจิตใจจริงๆเช่นนั้นจิตมันจึงรวมเป็นสมาธิลงได้มันจึงเบิกบานผ่องใส เรื่องความว่วงเหงาหาวนอนเนี่ยสำคัญมากนะให้พากันระมัดระวังให้ดีขดจัดมันออกไปให้ได้อย่าให้มันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจถ้านั่งภาวนาเวลาใดก็มีแต่ง่วงแต่งเงาแล้วก็ไม่ไม่ทู่กับมันไม่ขจัดปัญียเลยอย่างนี้ไ ม, ไม่มีทางพูดนะ การบาเพ็นทางจิตใจเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นพากันเข้าใจเมื่อควองง่วงควองเหงาไีแล้วกิเลสอื่นๆก็มักจะมีมาตามกันนั่นแหละความรักความชังอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตใจที่ง่วงเหงาหาวนอนมันมันไม่มีกำลังอะไรเลยมันอ่อนแอ้อแท้ เพรานั้นกิเลสอะไรมันก็ครอบงําได้มันเป็นงนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเรื่องหัวนี้นะใครทําให้ใครไม่ได้เลยตัวเองนั่นแหละต้องทําให้ตนเองต้องทําเอาเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับปุวายอย่างที่แนะนํามาเนี่วก็เอาไปคิดไปตรองกันลงมือปฏิบัติตาม าหวังความสุขความเจริญแก่ตนเองจริงๆแล้วก็คงไม่ผิดหวังดังแสดงมาไปกี้ค้คานเลยอยู่กับเราไมได้เลยพวกขี้านนะเรามาให้อยู่นํำนี้เราจะบอกนยะนี่เราจะมาพร้อมกันในวันนี้มามาให้หมดเราจะบอกให้ตรงๆเลย ถ้าบุรีคีครั้นไว้พราดสวดมนต์แล้วเอาวะให้อยู่นำ้ำให้ไปอยู่ที่อื่นบุรีคีครั้นมาล่าช้าก็เหมือนกันไม่เอาเกิดเป็นคนมาทำไมมันอึดอัดยืดยาด้ดระเบียบเขามียังไงต้องปฏิบัติตามที่ มันถึงจะเป็นคนดีได้อันนี้อยากมาหรืมาไม่อยากมาไม่มาไม่แสดงความสามาัคคีกันอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เราอยู่ด้วยกันหมู่มากนะเราไม่แสดงความสามาัคคีกันนะมันไม่ได้ต้องให้รู้จักดูแต่ตารวจทหารนั่นนะ่ะ เขาจะรวมพลังกันอยู่ได้ต่อสู้กับข้าศึกได้ก็เพราะว่ามันฝึกให้พร้อมเพียงกันเนี่ยมันนัดกันเวลานั้นต้องรวมกันให้ได้อย่างนี้เขาก็ต้องพยายามไปรวมกันให้ได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นมันจะสู้กับข้าศึกได้ยังไงอ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันเน่ยไม่รู้หรือว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกไอตัวสำคัญนะทขงัญก่าค่าศึกภายนอกอีกซ้ำนะในการแสดงความขี้เกียจขี้ข้านอืดอัดอยู่ไม่ทำตามระเบียบอย่างนี้นะกิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้น มันไม่ทํำละแหละได้หรือกิเลสอ่ะทําละแหละไม่ได้สู้มันไม่ได้ลองให้เข้าใจไอเพียงจะมานั่งอยู่ท่าร้านชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งก็ขี้ค้านแล้วก็เผื่อไปอยู่กุฏิกุฏางไทยุมาแล้วมันจะขี้ค้านมันทำบนนั่งภาวนาซ้ําเป็นไรอ่ะ จะไปคี้ข้านอะไรมา น, นั่งสงบจิตยอยู่ศาลาเนี่ยสชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งไหมเรียกว่าเรามาฝึกตนกันเป็นส่วนรวมเนะไม่ใช่ว่านั่นเมื่อฝึกตนส่วนรวมนี่ได้แล้วมันก็ไปฝึกส่วนตัวตความหมายมันมีอย่างนั้นเขาให้เข้าใจ ท่านจะปล่อยให้ฝึกใครฝึกมันอยู่ใครอยู่มันยิ่งมันยิง่ยงไล่ขวดเนี้ยยิ่งขี้เกียจทอดออออบนนั่งสมาธิภาวนาทํำเป็นไรอ่ะออนี่มันต้องให้เจ้าเข้าใจความหมายที่ข้อวัดปฏิบัติ มันจะทํามัอนกคนที่มุยบุญบารมีแก่กล้าแล้วมันไม่ได้อะ่ะเราจะไปเทียบกับท่านผู้มีบุญบารมีแก่กล้ามากแล้วอย่างนี้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจอืเราเนะ่ะบุญบารมียังอ่อนอยู่นะอต้องให้นึกถึงตัวเองอย่างนั้นถ้าเราไม่ทําอย่างนี้อินทรีย์มันก็ไม่แก่กล้าอย่างนี้นะ เราต้องแสดงความสามาัคคีพร้อมเพรียงกันถ้าผูใ้ใดเจ็บป่วยไข้ก็ต้องแจ้งต้องบอกให้ผู้หัวหน้าได้ทราบขกพูดให้ฟังแล้วระเบียบพวกนี้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยต้องพยายามมาให้มันทันกับเวลาดูที่ล่ะเรามีงานอะไรทำอ่ะมีงานอะไรทำกันนนางหนาเลี่ย ต้องคิดดูอ่ะแต่ละวันแต่วันไม่เห็นไม่มีงานอะไรทำํำเพราะการท่องหนังสือการเรียนก็เหมือนกับเต่านี่ไปไม่ถึงไหนเลยเมอวั น, นี้ให้ทําข้อว่าปฏิบัติไหว้พระนั่งภาวนาฟังธรรมนี่ก็ขี้ค้านแล้วอย่างนี้มันจะเอาอะไรมาทําความดีได้บบเนี่ย Uh huh. ถ้าว่าภาวนาะไม่เกง่ง ต, ตั้งเจเรียนให้มันเกง่งๆขยันเรียนจริงๆอย่างนี้เราก็ไม่ว่านะต้องให้มันดีทางหนึ่งคนเรานะ่ะอันนี้เอาดีทางไหนก็ไม่ได้อย่างนี้มันใชาไม่ได้เนะอืมเอาขยันไม่เกง่งให้ตั้งใจภาวนาะ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 เพราะฉะนั้นเราไปนักบวชนี่นะจไปให้เพื่อนบังคับอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่นักโทษนะรู้ระเบียบกันอยู่ทุกคนอนะอะไรไม่เกียยข้าน่ะรือเกียยข้านก็กินข้าวชาวบ้านเสียเปล่าสิเอาะไรมาแตดตอดแทนบุญคุณเขาล่ะต้องคิดถึงพ้อนี้ให้มากสิแล้วเราก็รู้อยู่ เราไม่ได้ทําไร่ทํานาค้าขายอะไรเลยปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหมดอาศัยชาวบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ว่าไงล่ะถ้าเราไปเกียร์ข้านเล้วมันก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณเขาอ่ะนั่นไงผู้ได้เกียร์ข้ามแล้วศึกไปจะดีกว่าดีกว่าศึกไปแล้วไปหาเลี้ยง ตัวเองเอาเองอ่ะยังไม่เป็นโทษยังไม่เป็นหนี้บุญคุณของใครนะต้องให้เข้าใจถ้าเราจะทอบใจความเป็นนักบวชแล้ ว, ว, ลวนี่ลรงคิดดูเราไม่ลำบากในการแสวงหาเรื่องชีพอะไรเลยเช่นนี้มันก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องทำความเพียรอย่างนี้แหละทำข้อปฏิบัติอย่างนี้นะ ไหวพระตรวจนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมนี่เราบวชมาใหม่ใหญ่ที่หลังความรู้ในทางธรรมาทวิทนัยก็ยังไม่มีมีคณนิดหน่อยอย่างนี้นะเอาอถ้าให้เรียนให้ท่องให้จำมันว่าท่องจำก็ไม่ได้เมื่อสนท่องจำไม่ได้ก็ฟังเอา ท่านได้กลั่นกรองเอาข้อปฏิบัติโดยทางรัฐทางตรงมาแสดงให้ฟังนี่เราก็ฟังเอารู้แนวทางข้อปฏิบตัติทางรัฐทางตรงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติลงไปมันอย่างนั้นความหมายนะให้เข้าใจโอ้ยฟังอะไรนักหนาฟังพอแงรงแล้วทุกวันทุกวัน อันนี้ก็คำเก่านั่นแหละบางคนก็อาจจะคิดแต่นั้นในใจอืงแต่คำเก่าเขาให้มันจำได้ที่ขั้นถามดูแล้วไม่มีใครตอบได้เลยเนี่ยนั่นไงในธรรมะกัหนึ่งๆท่านเทศว่าไงใจความอ่ะอย่างนี้เนี่ยมันจำไม่ได้ทำนะตอบก็ไม่ถูกทำเป็นไรอะ่ะนั่น อาศัยต้องฟังบ่อยๆอสิพิรณาตามบ่อยๆมันก็จึงจะจำได้ท่างดูตำราด้วยเรียนด้วยฟังด้วยเอาหลายทางให้เข้าใจการที่เรามาปฏิบัติศาสนานี่นะียัามัวทั้งต่เคยชาเกียร์ค้านอยู่ อย่๋ยวนี้วก็เอาเปรียบชาวบ้านเกินไปสินั่นต้องคิดให้ดีชาวบ้านเขาหาเงินหาทองหาเข้าของอะไรเท่าไรอาบเหงือสั่งน้ำไม่ได้หับได้นอนกลัวว่าจะได้ปัจจัยสีมาบริโภคบั่งแบนทานบ้างวังนี้ไม่ใช่ของง่ายๆนี่ ต้องคิดไปหลายทางคนเราเนะ่ะเมื่อตัวได้ความสบายแล้วเลยจะลืมนึกถึงบ้างหลังความเป็นมาอะไรก็ออะไรไม่ถูกต้องเลยต้องนึกหลายทางที่โอ้ขัวาชาวบ้านเขาจะได้เงินได้ทองมาบริจาคสร้างเนาสนาสนาอายเราอยู่อาศัยหมูนีนะ่ไม่ใช่ของง่าย นันเนี่ยบอกว่าเขาจะได้มีอาหารกันบริโภคมาถวายก็ดีหรือเขาไม่ถวายด้วยตนเองเขาก็ถวายปัจจุอ่าัตุปัจจัยมากระเทาะกระวาถวายทุกอย่างแั้นแหละถวายเงินน่ะอืถวายปัจจัยทั้งสี่เลวคนเดียวถวายเงิน น, ะน่ะนั่นลองคิดดูสิชีวิตของเราเนะ่ะจึงที่ว่ามันเป็นอยู่กับชาวบ้านเขาแค่แค่นเลย <c oughs> เราต้องนึกถึงข้อนี้ให้มากๆพี่ล้วก็ตั้งอกตั้งใจอืมก็ยังรู้อยู่เวลานะพอเรียเ้ยนินเสียงระรังแล้วก็รีบเตรียมตัวอันนี้อันนี้เวลาตั้งสามสิบนาทีผ่านไปแล้วก็ยังไม่มารวมกันได้ทั้งหมดนี่มันเย่นะ อย่าไปทำเน้ออย่างนี้ต่อไปอก็เรามาฝึกตนนะมาบวชมาเรียนในพื่อรัดวาอารามนี่นะไม่ใช่ว่ามาหาความถูกสนุกสบายให้เข้าใจอะ่ะข้าพเจ้คิดอย่างนั้นอย่าอย่ามาบวชเลยอื แล้วจะไม่อยากทุกข์ไม่อยากลำบากเลยอย่างงี้โอ้มีที่ไหนในโลกเนี่ยอันที่มันจะไม่ยากไม่ลำบากการอยู่ในโลกอันนี้แต่ความลำบา ก, กนะมันม้นมีผลแตกต่างกันอชาวบ้านอยู่อย่างลำบากยากเย็นการงานบีบบังคับเศบผลที่ได้รับ มันเพียงนิดหน่อยพอได้อยู่ได้กินได้อาศัยไฟแต่จิตใจนั้นยุ่งเหยิงอยู่อย่างนั้นอยากอยู่อย่างนั้นหิวอย่างนั้นอิ่มไม่เพนเลยชาวบ้านเพราะมันไม่พ อ, อไอชาวัดนนี่ชาววัดนี่เรา ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยตามข้อวัดปฏิบัตินี่มันก็ยากแหละยากอดอดทนอดกั้นทูกความลำบากยากเย็นลงไปเช่นนี้มันทำให้กิเลสตัณหาในใจเนี่ยน้อยเบาบางออกไปนี่มันเถือนกิริยาอาการที่เราทำภายนอกมันยากลำบากจริงแต่ว่าผลภายในจิตใจนี่ มันดีกว่าผู้อยู่คลองเรือนเนี่ยมันทำให้กีเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปนี่มันต้องให้หนาผลมันอย่างนี้ก็ยังเคยพูดให้ฟังอยู่ผู้ใดจะเป็นศุขอยู่ในขั้นใดๆก็สิก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนเนี่ยจะเป็นก้อนทีละน้อยคอยผสม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 บุญเกิดจากการที่เราต้อนรับปฏิสันฐานแขกไปมาหาทูหมู่นี้มันก็รู้ว่าจะเป็นบุญทางนั้นแหละเราก็เก็บเล็ขผสมน้อยอย่างนี้เข้าไปอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปเอาบุญแต่นั่งหลับตาภาวนาะอยู่อย่างเดียวไม่ต้องทำความดียางอื่นประกอบเลยอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ถูกต้อง มันไม่มันไม่สมดูลกันแล้วมันก็ไม่ได้ดอกไม่ได้มันต้องหลายอย่างประกอบกันเข้าการปัดกวดเสนาสานะทำความสะอาดรู้จักเก็บสิ่งเก็บของของใชตง้ต่างๆเนี่ยมี่ถาดข้าแมว เ, เราเห็นนะ่ะเอาไปทิ้งตากฝนไว้แล้วก็มี ไม่ล้างไม่ขัดกันเลยเอาไว้ไม่ใช้เรื่อยไปอย่างนั้นเหลยรัดปุีิมันมาอาศัยวัดอยู่ l o n นานแล้วมันมาช่วยรักษาเครื่องใช้ไม่สองสามวันนี้ถ้าไม่มีแมวนี่ลองดูสิหนูมันจะมากัดอะไรต่ออะไรปนปีไปหมดเราต้องคิดอย่างนั้นอืให้มันช่วยรักษา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 เราเลี้ยงมันไปแล้ววันนี้ก็มันก็มีคุณต่อวัดมันช่วยรักษาของสงฆ์ให้อันมันจะไปทําอะไรมันจะไปกินอะไรนั่นเรื่องของมันเราอย่าไปสนใจกับมันอันนั้นนะมันต้องมีอุบายเลยอย่างนั้นคนเราน่ะมันไปอย่างนี้การบวชน้าให้พากันเข้าใจเรา ไม่ต้องการนะไอปริมาณมากมากแต่แล้วใช้ไม่ได้ล้วไม่เอาไหนในข้อว่าปฏิบัติอย่างนี้เราไม่ต้องการเนอะเราต้องการคุณภาพนะสำหรับวัดป่าแล้วต้องการคุณภาพโดยตรงเลยอยื่นงนั้นถ้าใครไม่สามารถแล้วยายาอยู่มีความสามารถจริงค่อยอยู่ เพราะว่าสถานที่อย่างนี้นะมันเหมาะสมกับบุคคลผู้ชอบสงบชอบระงับนี่ผู้ไม่ชอบเพลิดเพลินในการมคุณสถานที่อย่างนี้เนะ่ยเหมาะสมกับบุคคลผู้ทาความเพียรเพื่อละกีเรศตัณหาให้น้อยเบวางไปมันเหมาะสมอย่างนี้สถานที่อย่างนี้นะ่ะ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 เราประโถงอย่างว่านี่แล้วเราจะไปขี่ค้านทําความเพียนอย่างนี้นะมันี่ถูกต้องยังไงอะ่ะอืม <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งสมาธิภาวนาอตลอดเวลาไม่ไม่มีอนะ่ะอืมมันก็นั่งไปง็นข้าวเาวเท่านั้นดังนั้นเราต้อ ง, งมีข้อปฏิบัติอย่างอื่นประกอบเข้าไปด้วยเช่นอย่างเรามานั่งรวมกันน่อย ฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิไปบ้างไหวพระสวดมนต์บ้างมูรี้มันก็เป็นอุบายทำใจให้สงบทั้งนั้นแหละไม่ใช่อย่างอื่นนะต้องสังเกตด้วยไอ้พวกที่ยังไม่ทำนานในการทำจิตใจสงบ อนี้เมื่อความธรรมะประกอบเข้าไปทำรวมจิตเข้าไปมันกดดัความสงบใจไปนี่ ม, นมันประกอบอย่างนั้นเหตที่จะทำอย่างนี้นเนี่ยเตที่จะทำนี้ก็เพราะว่าผู้มาใหม่ก็มีผู้ยังอิตยังอ่อ น, นก็มีอยู่มากมาย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 อย่คิดว่าเออเราทำนานนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเข้มงวดเท่าไรก็ได้ดอกให้ผู้มาใหม่นั่นเข้มงวดไอ้อย่างนั้นก็ไม่ถูกไปเห็นอย่างนั้นนะ เ, เราถ้าเรามั่นคงเราทำนานแล้วเราก็นำที่วันนี้นะนัะ่นแหละไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยก็นำหมูนะหมู่ที่มาใหม่นี่ นาเพื่อนทำไม่เห็นเป็นตัวอย่างเห็นนั่งสมาี่อย่างนี้นะก็ต้องนั่งให้จริงๆนะไม่ใช่นั่งลวงว่วงโงกไปโง่มาอยู่งั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะผู้มาใหม่เห็นเขาก็เอาอย่างกันเลยวันนี้นั่งโงกวัานี้ไม่ใช่นั่งภาวนาต้องฝึกที่ อย่าให้มันงกง่วงอย่าให้มันโอนเอ็นในร่างกายนะฝึกนั่งให้มันตรองอย่างนี้นะก็โยงการฝึกอมันทําได้ทําไม่ยังไม่ได้ถ้าฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะอืเราต้องฝึกพี่ถึงแม้ว่ามันจะ ไม่ได้เป็นบางคราวก็นะว่ามาให้มีน้อยที่สุดอย่างนี้นะล้วพยายามให้มันดีที่สุดมันจะเสียไปบ้างกอยังชั่วให้มันได้มากกว่าเสียนี่การฝึกต น, นมันต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำทีใดมันได้ทีนั้นอันนั้นนี่ ว, ว่าเพื่อนผู้คนฝึกตนดีแล้วอันนั้นนะ ทำที่ใดก็ได้ทีนั้นผู้ที่ยังไม่ดีพอมันก็ได้บ้างเสีบ้างแต่เราพยายามให้มันเสียน้อยให้มันได้มากมันต้องคิดอย่างนี้แล้วการบริวินธบาศขอให้สำรวมทนให้ดีผู้วชมาใหม่ เดี๋ยวไปเดี๋ยววกเดี๋ยวเวกเข้าไปในหมู่บ้านน่ะมันก็แค่นั่นแหละในหมู่บ้านน่ะมันก็เราก็รู้กันอยู่ว่าไจะเป็นต้องดูอะไรหรอกดูทางที่เราเดินไปพอแล้วสํารวมตนเวลาเขาใส่บาตรก็มองดูแต่ในบาตรเจ้าของนั่น อย่าไปมองในที่อื่นบางคนก็ไปสังเกตดูนะทำหน้าตาเหม่อไปทั้งอื่นนยื่นจะบาทให้เขาใส่ก็มีนะอย่างนั้นไม่ถูกตามเสกียวัฒน์เดี๋ยวไปทำอย่างนั้นต้องมองก้มมองดูในบาท น, นั้นเวลาคนเขาใส่บาตรนะอย่าไปเหม่อไปที่อื่น เดี๋ยวการเดินก็ดีเดี๋ยวก็ไปเหยียบน้องกันโกรธกันอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องระวังไงอย่าไปเผลออย่าไปรีบด่วนเอเดี๋ยวไปเหยียบน่องคนนู้นเหยียบน่องคนนี้ไปมันไม่ไม่ดีเลยแบบนั้นไม่ใช่เรของดีอ่ะมันเสียมารยาท แต่ถ้าว่าเราเผลอไปนี่ก็โอ้ยขอโทษแบบนั้นผมเผลอไปแบบนั้นเออขอรู้จักขอโทษกันให้มันเป็นเราอยู่ด้วยกันเน่ะอันนี้เป็นมารยาทที่ดีนะการขอโทษกันนี่นะ่ะแต่ชาวบ้านเขาก็ทํากันเนี่ยคนท่านผู้ดีทั้งหลายเนี่ยถ้าไปกับะทบกระทั่งอะไรกันนิดหน่อยนี่ก็โอ้ยขอโทษ เอออย่างนี้นะเราต้องฝึกนะเนืนะ้อเราเป็นนักบวชอ่ะอย่าไปกระด้างกระเดือนมันไม่เสียหายออหรอกการกล่าววาจาเช่นนั้นอนะ่ะเป็นความดีซะด้วยนะด้่ฝึกทำกันนี่พอกระโตกกระตั่งอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็เล้วไปเลยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมด า, ดาแต่คนท่านผุ้ดีเขาไม่ทำอย่างนั้นเลย เขาบ่าขอโทษเลยถ้าเป็นชาวบานกับฐานว่าเราเป็นน้องเป็นอยู่ในฐานเราเป็นน้องเขาเป็นผู้เป็นพี่อย่างนี้โอ๊ยพี่ฉันขอโทษหรือว่าน้องฉันขอโทษอย่างนี้เนี่ยคนผู้นี้ทั้งหลายเนะี่ยเขาไปพูดต่อกันนะ่ย <c oughs> ท่านอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาดอะไรกันนะกระทกกระทั่งนิดนิดนิดหน่อยก็ขอโทษกันไปอโหติกรรมกันไปมันก็เลี้ยวไปเราอย่าใช้กิริยามารยาทอันหยาบโลนต่อกันอยู่ด้วยกันหมู่มากนะเพราะเรามันต่างบ้านต่างเรือนกันมาต่างตระกูลต่างจังหวัดด้วยนะมาอยู่ร่วมกันเนี่ย และอย่าไปถือมั่นอย่างนั้นให้ถือเอาธรรมอวินยนั้นเป็นหลักเอาอวินัยนั้นพระองค์เจ้าเปรียบเหมือนอย่างได้ร้อยดอกไม่นานาช น, นิดเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอดอกไม้จะเป็นมีสีอย่างไรมีกลิ่นหอมก็ดีหรือไม่หอมก็าตาม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 มานี่เราละความถือมั่นในชาติในตะกูลเรามาเป็นธรรมณะสักยบุตรเป็นบุตรของธรรมณะผู้สงบระงับพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้านั่นแล้วเราก็ปฏิบัติตามพระวินยยัยมานี่ทำพระวินัยทำยังไงอ่ะเคารพกันตามผู้บวชก่อนบวชหลัง แม่บวชวันเดียวกันนี่ก็ตามนะผู้ใดอยู่เบื้องขวาของอุปชาผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นอาวุโสในชุดนั้นผู้ลองลงไปก็เป็นพันเตน้ก็ต้องให้เขารบกันตามนั้นนี่พระวินัยเนะ่เอาละเอียดปะนั้นนี่ต้องให้เข้าใจ